บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในวข้คว่าสบโลกเก อ, อนาปิรตตะสัญญาคือทรงสอนให้กำหนดหมายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นไม่มีอะไรที่ควรแก่การยินดี ตอนนี้เพราะว่าโดยสภาพที่แท้จริงของสิ่งตนนั้นจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามต้นแล้วแต่เป็นสิ่งจึิงเกิดขึ้นมาจากเขตปัจจัยแต่จะต้องเสื่อมสลายแตกทำลายไปตามธรรมดาของสิ่งตนนั้นในขณะเดียวกันก็ได้ทรงเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมสนักว่า ในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะสร้างความแปรผันให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้หากว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีกิเลสอยู่ภายในใจแต่เพราะบุคคลมีเชื้อของกิเลสอยู่ภายในมากบางน้อยบางเมื่อไปกระทบกับสิ่งล่านั้น ที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะอาศัยความไม่รู้เท่าทันถึงความจริงใจของบุคคลจึงไปเกิดกาหนัดในอารมณ์บางอย่างกัดเครืองในอารมณ์บางอย่างใน ล, ลุมล่มหลงมัมวเมาอยู่ในอารมณ์บางอย่างจนรอให้เกิดเว็นเป็นความประมาท ความพลาดพรัง้งความเพลเริ่มขึ้นในวิถีชีวิตของคนทำให้ประสบความสุขบ้างความทุกข์บ้างรากระคร้ากันไปตามการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆเหตุปัจจัยให้เกิดการกำหนดเฉพาะในที่นี้ทรงเน้นไปที่กิเลสประเภทละเอียดที่เรียกว่าอนุัย ในแง่ของการปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่ากิเลสมันก็คือกิเลสเหตุที่จะให้เกิดความรักใคร่ยินดีนั้นบางครั้งอาจจะเกิดจากกิเลสที่ล้นออกมาข้างนอกจนประกอบเป็นอาชญากรรมออกมาในรูปต่างๆด้วยความโลภบางกรดบางหลงบ้าง แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นจากกิเลสภายในใจคือใจของบุคคลเป็นเหี่ยวนึกเป็นตรึกนึกถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างด้วยอำนาตของความกำหนัดบ้างความกัดเคืองเป็นต้นบ้างเระทาให้ใจิตใจของบุคคลแปรผันไปโดยอาศัยความตรึกนึกเอาเองแต่ในที่จริงแล้วสิ่งที่เรานำมาสรึกนึก แม้ในขณะนั้นประสาทสัมผัสส่วนอื่นจะไม่ได้ทำงานเช่นหลับตาเสียอุดหูเสียปิดปากเสียหรือแม้แต่จะอุดจมูกเสียเด็กกายเราก็นั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือเดินอยู่แต่ว่าใจเราไม่สามารถจะควบคุมก็ได้ใจก็จะสายไปหาอารมณ์ต่างๆ เก็บไว้ในลักษณะต่างๆในอดีตแล้วอาศัยอารมณ์อดีตนั่นเองมาปรุงคิดมาคิดปรุงขึ้นในปัจจุบันแต่บางครั้งก็อาศัยรูปแบบของความคิดในอดีตและปัจจุบันไปสร้างสรร์าอารมณ์ที่ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในโอกาสต่ อ, ต อ, ตอไป กิเลสในช่วงนี้จึงเกิดความยินดีขึ้นจากความตรึกนึกหรือที่เราเรียกวิตกกิเลสแก่ขึ้นกลุ่มรุ่มใจแล้วประเภทที่เราเรียกวันนิวรณ์แต่กิเลสที่ล้นออกไปข้างนอกก็ดีที่เรียกวันนิวรณ์ก็ดีและแม้แต่กิเลสประเภทที่ทรงเน้นในทีน่นี้คือที่เรียกว่าอนุสัยก็ดีนั่น ก็คือกิ่งก้านสาขาของโลภะโทสะโมหะนั่นเองเพียงแต่ว่ากิเลสประเภทอนุสัยนั้นตามปกติเขาจะสงบอยู่ภายในใจไม่ขึ้นมาสร้างความขุนหมัวให้แก่ใจอย่างตะกอนนอนก้นภาชนะที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วแต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบกระทั่งจากข้างนอก กิเลสประเภทนั้นนั้นก็เกิดขึ้นที่ใช้คำว่าประเภทนั้นๆก็คืออารมณ์ที่กระแทกจากข้างนอกนั้นมันกระตุ้นอะไรทายุให้เกิดความกำหนัดยวยความอยากได้กิเลสประเภทการมาราคานุใสไปยมงเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนแต่ถ้าอารมณ์ที่มากระแทกจากข้างนอก มีลักษณะยั่วยุยุยนท้าทายคุมคู่คุกคามความรู้สึกประเภทปฏิฆะปฏิฆะก็คือโทสะหรือโกธรธด้วยความโกรธนั่นเองเพียงแต่ว่าอาการของเขาไม่แรงดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติเวลาทรงเรียกชื่อของกิเลส อิเลตประเภทเหล่านี้ถ้าเรียกระดับละเอียดจะไม่ทรงใช้คํว่าโธสัใช้คำว่าโกทะแต่ใช้คำว่าปฏิฆะได้แก่ความหงุดหงิดการกระทบกระทั่งความไม่พอใจในแรงที่กระแทกแต่แน่นอนเมื่อมีการกระแทกบ่อยๆจนความรําคาญเหล่านั้นเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปมันก็กลายเป็นความโกรธ ความคาดความพยาบาทได้และจนถึงจะออกไปเป็นรูปทุจริตทางกายทางวาจาก็ได้นั้นจึงยังทรงสอนให้มองเห็นโทษของกิเลสประเภทนอนุใสัยพูดง่ายๆว่าก็มองให้เห็นโทษของกิเลสจะประเภทอะไรก็ตามเฉพาะในที่นี้ทรงสอนในลักษณะสืบสอดถึงต้นข้าวที่มาของ การกำหนดหมายในแนวน่าครหน่าปรารถนาน่าพอใจหรือในแนวไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเพราะเกิดมาจากกิเลสประเภทอนุสัยปัญหาสาคัญว่าปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจนี่จนให้เกิดไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ต้องการจะหนีต้องการจะทำลายต้องการจะล้างพานอะไรต่างๆ จะเกิดขึ้นนั่นอันนี้จริงแล้วเกิดขึ้นจากใจเราไปกำหนดด้วยความขัดเครืองก็มีความรู้สึกว่ารูปนั้นไม่ดีเสียงนั้นไม่น่าฟังกลิ่นนั้นไม่หอมรสนั้นไม่น่าอร่อยรถนั้นไม่อร่อยสัมผัสนั้นไม่น่าจับต้องเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ความคิดมุ่งมากปรารถนาที่จะทําลายล้างก็จะติดตามมาความเร่าร้อนภายในใจก็จะเกิดขึ้นถ้าผลักไปได้ทําลายไปได้ได้หมดสิ้นไปได้เราก็เกิดสุขโสมนัสเกิดยินดีในการทําลายแต่แท้จริงแล้วกิเลสเป็นเอกได้ทําลายนั้นเป็นบาปเป็นความขุดมัวเศร้าหมองใจ เป็นเหตุให้เราสั่งสมบาปเก็บรวบรวมบาปเอาไว้เพิ่มความเรวร้อนเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนเช่นตัวอย่างมีใครมาทำให้เราโกรธและกระแทกกระทันอย่างต่อเนื่องปฏิกะนั้นก็จะแปลสภาพไปเป็นโกรธเป็นปัุสาวะร้ายทางกายบ้างทงางวิจาณบ้าง ทั้งกิเลสมันท่วมทับหมดเลยกายก็ถูกท่วมวาัจจัยก็ถูกท่วมเพราะใจมันถูกท่วมถึงกันเรียกว่าครอบงำลักษณะครอบงำนั้นเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเองกำเหมือนคนที่ถูกผีสิงการแสดงทั้งหมดเป็นเรื่องของผี อาศัยอวัยวะมือเท้าต่างๆของเราเป็นเครื่องแสดงหรือว่าใครก็ตามที่ถูกครอบงำด้านความคิดจากคนที่ไม่หวังดีราสัยมือเท้าอวัยวะของเราอาศัยจิตใจของเราเป็นเครื่องมือในการแสดงความไม่ดีออกมาทางกายทางวา จ, จาทางใจของเราแล้วใครเป็นคนได้ประโยชน์เขาเป็นคนได้ประโยชน์ เราเป็นคนเสียประโยชน์เพราะในช่วงนี้บางครั้งแม่จะมีแรงกระแทแกจากข้างนอกซึงกอให้เกิดความโกรธก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติมีสัญญาคือการกำหนดหมายให้เห็นโทษชัดเจนและสัญญานั่นเองก็คือปัญญาระดับหนึ่งกายธรรมหน้าที่วิเคราะห์วิจัย มองสิ่งนั้นมองผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นหากว่าเรากระทาไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นสติเองก็จะเกิดขึ้นปิดกั้นกระแสะความคิดเอาไว้พระปัญญาไดวินิชใช้ว่าเป็นความไม่เหมาะไม่ควรดังนั้นถ้าสาธุชนทั้งหลายได้สังเกตพฤติกรรมของเราเองเพราะบางครั้ง มีแกงมีการกระแทกมาจากข้างนอกคมขูดคุกคามด่าว่าสาดดุภาพบุรุษถูกดูหมินด้วยประการต่างๆความโกรธก็เกิดขึ้นครอบงาใจอยากจะด่าอยากจะประทุไร้ายหรืออาจจะเงื้อมือขึ้นแต่ก็หยุดไว้ได้อะไรเป็นตัวหยุดสติคือการระลึกได้และการระลึกนั้นอาจจะระลึกจากอะไรก็ได้ เรากเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาแล้วเราได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสุกบาสิกาเป็นพิษุสามนเณรในประธรรมบิดัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วเช่นนี้ทําไมจะต้องไปลุกอํานาจแก่อารมณ์ในเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเป็นมารล้างพรานความดีเราพระศาสดาของเราเป็นผู้พิชิตมารเป็นผู้ชนะมาร ทำไมเราผู้เป็นลูกศิษย์ผู้เป็นาศาสนิทิ์ของพระองค์จะต้องไปยอมกลัวมานแบบแพ้แก่อำนาจของมันถึงความคิดในแนวนี้อาจจะเกิดมาจากความคิดตัว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาก็ได้แพ้เป็นพระในที่นี้ก็คือชนะกิเลสนั่นเองแต่ในความรู้สึกของบุคคลอื่นคล้ายๆกับเราแพ้ ฉันมีคนมาท้าตีท้ต่อยต้องการเราทะเลาะ ด, ด้วยต้องการเราด่า ด, ด้วยต้องการเราถูกเที่ยงเขาด้วยแต่เราก็มองเห็นว่าคนคนนี้เป็นพาต์ของกิเกแตแกมีเชื้อโรคและจะโรคนั้นมาแปดเปื้อนเราหมายติดต่อเราอีกแทนที่จะเกิดโกรธเขาเกิดสงสารเขา หรคือสลดใจในพฤติกรรมและการกระทาของเขาเราจึงยับยั้งเอาไว้ไม่กรบก็หยุดได้ดังนั้นสติสัมมาชัญญะที่เป็นตัวระลึกรู้ตัวพินิจพิจารณาเนี่ยก็จะกลายเป็นอุปการะธรรมที่สนับสนุนให้เรามองขินว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรจะยินดี ไม่ควรจะยินดีในการด่าตอบประหารตอ่อประทุษรายตอบหรือแม้แต่กระทำอย่างอื่นโต้ตอบในทนํานองเดียวกันเพราะนั้นก็คือการสาดโครนก็าหากันนั่นก็คือเพิ่มความแปดเปื้อนจากคนอื่นมาสู่เราเพิ่มเชื้อโรคเพิ่มสิ่งสกปรกที่มีอยู่แก่คนอื่นแล้วมาให้แปดเปื้อนเราด้วยความคิดอาจจะลึกซึ้งเลยไป ถ้าเราด่าตอบกับไม่ด่าตอบอะไรจะดีกว่าอะไรจะให้ความสุขแก่เรามากกว่าการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมตลอดถึงการดำรงชีวิตของเรานั้นเรามุ่งกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันมีลักษณะเกื้อกูลและมือความสุขให้ธรรมะของพระาศาสดาได้สอนไว้ช่นนี้และเราโกรธตอบเขา โกรธตอผู้โกรธ ด, ด่าต่อผู้ด่าประหารต่อผู้ประหารปฏิุสร้ายต่อผู้ปัิุสร้ายแช่งต่อผู้แช้งและเราจะได้อะไรเป็นการเพิ่มกิเลสเป็นการสั่งสมาบาปถึงบาปนั้นก็ติดตัวเราไปแต่ว่าถ้าปล่อยเขาทําแล้วเรื่องกรรมของเขาที่เขาจะต้องรับผิดชอบเราจะมองลึกเลยไปจนถึงตั้งปัญหาขึ้นถามใจตัวเอง จะน่าจะเกิดความรู้สึกรุนแรงต่อบางคนบางพวกจนถึงวางแผนคิดฆ่าคิดปราบทหารคิดทำลายร้างกันลองถามใจตัวเองว่าคนเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นน่ะก็จะตายไหมล้วก็ตอบได้ว่าต้องตายเพราะว่าคนทุกคนต้องตายคนนี้ก็เป็นคนคนนี้ก็ต้องตายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องตายคนนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคนนี้ก็ต้องตาย วัาการฆ่าการทำลายล้างกันนั้นเป็นการช่วยให้เขาเป็นอย่างที่เขาต้องเป็นเท่านั้นเองแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั้นทำให้เราเป็นในเรื่องที่เราไม่ควรจะเป็นคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคือความตาเยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความช่วยเราหลีกเลี่ยงได้การทำบาปเราหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแต่เราก็พยายามที่จะเป็นในเรื่องที่เราไม่ควรเป็นหลังจากฆ่าเขาแล้วความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้จะเกิดขึ้นแก่เขาเขาพ้นทุกข์ไปแล้วแต่เกิดขึ้นแก่ครอบครัวเราแก่ญาติพี่ร้องเราแก่ตัวเราแก่ชื่อเสียงสกุลวงศ์ของเราแล้วก็หยุดความคิดเหล่านี้ไปได้ ดังที่เคยกล่าวไปแล้วว่าชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกับรถต้องหยุดได้ต้องเลี้ยวได้ต้องชะลอได้เราต้องวิ่งได้ตาก็ทำได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งรถนั้นก็ไม่น่าอาศัยเพราะถึงคราวต้องหยุดหยุดไม่ได้เราก็ตายถึงคราวจะไปไปไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์คำสอนในแนวนี้ทรงสอน ฉนบอกว่าให้ทนได้มีการกระแทกมาจากคนอื่นด่าว่าดูหมินเหยียดย้ำยังไงก็ตามปากเขาก็ทุจริตแล้วกิริยาการเขาก็ทุจริตแล้วใจเขาก็ทุจริตแล้วเขาตกลงไปในโครนเต็มตัวแปเปื้อนในโครนมากเหลือเกินเขาก็บังเรียกเราให้ลงไปเพื่อจะเราเพื้อนกับเขาด้วย แล้มันเรื่องอะไรคือเขาเพื่อนเขาแล้วเราก็ไม่อยากเพื่อนเลยมันก็ตัดปัญหาเหล่านั้นแต่บางครั้งมันก็ต้องเครียกกันคันตาคือไปได้สามารถที่จะดำเนินชีวิตของตนไปตามคันรองแห่งทรามได้ประครับตัวเองประครับประคองตัวเองให้รอดปลอดภัยพลอดอันตรายได้แน่นอนอาจจะทำได้ไปแล้วแต่ความโกรธมันยัง ข้างอยู่ภายในใจความรู้สึกเป็นปฏิฆะสำบในกรณีนั้นก็ยังค้างอยู่ภายในใจเลยไปเพิ่มเชื้อโรคขึ้นจากที่มีอยู่แล้วดังนั้นจึงทรงสวนใน ห, หันตาคือฆ่าให้ได้ฆ่าความโกรธให้ได้อย่างที่มีพราหมณ์ท่านหนึ่งถูกความโกรธครอบงำที่จริงก็โกรธพัญญาของตน แต่การกดปัญญานั้นเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเพราะปัญญาของเขาไปยกย่องสรรเสริญ น, นอกน้อมพระพุทธเจ้าต่อนหน้านักบวชที่เขาเคารพนับถือทำไมนักบวชตําหนิงเขาเขาก็แคนปัญญาเมื่อทำทำอะไรปัญญาไม่ได้ก็ไปแคนพระพุทธเจ้านอนไม่หลับกระสับกระสา ย, ยทั้งคืนคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปด่าว่าพระธานาธิบดมให้เจ็บแสบ ม่นถึงท่า น, นดาเลยพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าพระมิลาแขกมาสู่เรือนของท่านท่านมีอาหารมาตอนรับแขกแขกไม่รับประทานกับท่านแต่เมื่อแขกกจากไปแล้วของนั้นจะเป็นของใครพระรามก็บอกว่าก็เป็นของท่านพระเจ้าจึงรับสั่งว่าคำด่าทั้งหมดก็เหมือนกันในท่านด่าทั้งหมดนั่น ตาคตไม่บริโภครุ่มดคือไม่รับประทานนั่นเองก็จะไม่แก่เกิดประทักใจต่อมาน้องชายก็โกรธในทํานองเดียวกันมาถามว่าบุคลคลฆ่าอะไรเสียได้จึงไม่เศรสุขฆ่าอะไรเสียได้จึงถูกเป็นสุขข่าแต่ประมาณสมรรถโคโดมระองค์สันเสริญการฆ่าอะไรเพราะมียอดเป็นผิษแต่มีรากหวนัน มีมีรากเป็นผิดแต่มียอดหวานพระเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์ทรงสบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้จึงนอนเป็นสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วจะไม่เศร้าโศกพรความโกรธนั่นแหละมีรากเป็นผิดแต่มียอดหวานเิง คราวนี้มันสังเกตว่าคนบางคนได้ทําอะไรไปตามความโกรธที่บังเกิดขึ้นรู้สึกสะใจรู้สึกมันในอารมณ์รู้สึกอึบอิ่มที่ได้ทําอะไรไปตามใจแต่ความรื่นเริงมันเทิงใจนั้นจะอยู่ชั่วประเดียวประดาวเท่านั้นเองต่อจากนั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นท่วมทับใจครับ้าดูแล้วก็ไม่คุ้มอะไรเลย จลุอำนาจแก่โทษักร้ากันยิงกันประทุสร้ายกันแล้วไปทนทุกข์ทรมานในในคุกในตารางตรงนี้ก็เซิร์ก็เซิร์ไปในที่ต่างๆก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้มองเห็นถึงโทษของความโกรธเรื่องของปฏิฆานี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ให้ดอนสังเกตว่าใจของคนเรานั้นความโลภ ก, กับความโกรธเป็นอาการที่ออกจะอ่อนไหวง่ายคือโลภง่ายแล้วก็โกรธง่ายแสดงเห็นถึงเชื่อของโลภะของโทสะนี้มีแรงสภาพแวดล้อมในชีวิตของบุคคลเราเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านั้ น, นอารมณ์ที่ยั่วยุนั้นมีมากของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายาต้องการได้ผลประโยชน์จากเรา อารมณ์ทีย่อหย่วนนะมีมากเลาก็ต้องการผลประโยชน์กับเราเขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ชี้แจงเชิญชวนชักชวนเราตกเป็นเครื่องมือของเขาไปซื้อหาสิ่งของของเขาเพื่อเขาจะได้จะมีจะเป็ น, นาจากความโลภของเราจิตใจของบุคคลก็ถูกปลักไสเสือกไสไปสู่กระแสของความโลภแต่ในขณะเดียวกันนั้นเพราะความโลภนั่นเอง ทำให้เราอยากได้ในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ได้สิ่งที่เราไม่อยากได้คือสิ่งที่เราไม่ชอบเราเกิดโกรธแต่บางทีต้องเกี่ยวข้องคนที่เราไม่ชอบเราก็เกิดโกรธไปไหนมาไหนคนที่เราไม่ชอบเราก็โกรธแล้วความบีบคั้นทางสังคมทางอารมณ์จากครอบครัวถึงสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านใกล้เรินเคียงสภาพทางสังคมรวมๆ มันมีลักษณะกระตุ้นมากเพราะฉะนั้นจิตใจของคนจึงเหมือนกับมีแพรเกิดทบนิดกิดทบหน่อยก็โกรธแล้วโกรธก็กล า, มากยมักจากลายเป็นพยาบาทเกิดเดินที่จะหายไปเลยอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงถึงจิตที่ประกอบด้วยความโกรธว่ามันเกิดขึ้นภายในใจคนบางคนเหมือนกับรอยขีดในน้ำ บางคนเหมือนกรอยขีดในดินบางคนเหมือนกรอยขีดในชิดความโกรธประเภทรอยขีดในน้ํานั้นคือโกรธแล้วก็หายไปเลยมันกรอยขีดในน้ําความโกรธบางอย่างมันกลายเป็นการผูกโกรธคือเก็บความโกรธเอาไว้คนที่ทําให้เราโกรธเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธนั้นได้ล่วงเลยไปแล้วเช่นว่าอาจจะเกิดในวัดเกิดครั้งกรัก ที่ท้องถนนเนี่ยมันน่าจะทิ้งไว้ตรงนั้นนะแต่ไม่ได้ทิ้งก็เอาไปบ้านด้วยเมื่อกลายเป็นอุปนาหะคือผูกโกรธเอาไว้เป็นอุปกิเลสคือสิ่งที่ทํำทิตใจของบุคคลให้ขุดมวัวสมองเมื่อก็รอยขีดในน้ํารอยขีดในดินตึงอยู่ได้านานระยะหนึง่งกว่าจะเลือนหายไปก็ต้องใช้เวลาความโกรธอีกประเภทหนึ่งนั้น มันตกตะกอนเป็นอาคาตพยาบาทจองล้างจองพรานจองเวรกันไม่รู้จักเลือนหายไปจากใจมันก็รอยขีดในชินบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเราพยาบาทอาฆาดกันนั้นถึงมันน่าจะหายได้แต่ว่าหายไปไม่ได้เพราะเหมือนก็รอยขีดในชินจะเล็กน้อยอยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นนานๆเพราะันนั้นจึงสอนให้ บุคคลมองให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ควรยินดีท่านสาวตะชุนอาจจะถามมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยินร้ายเพราะความยินดีกับความยินร้ายนั่นแกนตรงกันข้ามคืออะไรคือถ้าหากว่าเรายินดีเราได้ตามที่เรายินดีเราได้สิ่งที่เรายินดีมานั่นให้เราสังเกตว่าเราชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราได้ แต่ก็มีโทสะคู่กลุ่นอยู่ภายในความไม่พอใจคู่กลุ่นอยู่ภายในพร้อมที่ะระเบิดออกมาแต่างคนอื่นมายื่แจ้งมาครอบครองสิทธิของเราบางอย่างไม่น่าเชื่อหรอกฉนดซึ่งซื้อพิมพ์มาคนอื่นก็อ่านได้ก่อนเนี่ยบางคนก็โกรธแล้บางทีนั่งจะรับประทานอาหารเพื่อนกินซะก่อนตัวเองยังไม่ได้นั่งก็โกรธแล้ว หรือบางทีนั่งส ง, งบจะทำกรรามฐานกันใครไปทำอะไรเสียงดังเราโกรธแทบนั้นลักษณะของความโกรธเนี่ยจึงเหมือนแผลในหัวใจแต่ไม่แก้ไขได้ยากเวลาไอ้สิ่งที่ใครมาลักขโมยของที่เรารักเราก็เกิดโกรธ เราสังเกตว่าโกรธนั้นก็มาจากรักนะเดียถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธเช่นว่าคนนี้ด่าว่าเราเรารักตัวของเราเมื่อคนมาด่าว่าเราเราก็โกรธเขาคนนี้ไปตั้งตัวเป็นศัตรูกับญาติพี่น้องของเราเพราะความรักพี่น้องของเรานั่นเองทำให้เราโกรธคนที่มาเป็นศัตรูกับญาติพี่น้องของเรา ในบางครั้งนัความโกรธมันเกิดมาจากความโกรธนั่นเองจะเน้นคนเขาทำความดีต่อคนที่เป็นศัตูเราเพราะเราโกรธสัตูเราไม่อยากให้ศัตูนั้นได้ประโยชน์อะไรและมีคนคนหนึ่งเกิดไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับศัตูเราเราก็โกรธเ้าอีกนั้นในความรักกับความชังความโกรธกับความ รักความพอใจอะไรเนี่ยเรียกว่าหน้าปรารถนาก็ไม่หน้าปรารถนาชอบใจก็ไม่ชอบใจแต่มันเกิดได้ในอารมณ์เดียวกันในเรื่องเดียวกันแต่เกิดกันคนละช่วงขณะช่วงความคิดที่บุคคลกำหนดหมายอารมณ์หลักนั้นข้อนี้จะเห็นว่าพวกนี้มันก็เป็นได้ทุกระดับแหละเพียงแต่ว่าในจุดนี้ท่านพูดเฉพาะตัวกระตุ้น คือตอนถูกกระตุ้นจากข้างนอกแม้จะตุ้นจากข้างในคือใจเป็นเดียวนึกสึกนึกมันก็เกิดเป็นพยาบาทพิตกได้พยาบาทสังกปะด้วยความดำดิเดีดวยวข้าวเอาความมาคาดพยาบาทได้หรือมีการฆ่าการเดืดเบียงก์การทำลายล้างกันที่เป็นเอตผิดศีลแล้วก็เป็นความโกรธเพยีวยงแต่ว่ามันยากขึ้น ในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ท่าพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสอนให้คิดว่าความกโกรธนั้นจะมีลักษณะแผดเผาคอยเกิดความเล่าร้อนเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในกายเราจะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะโรคเหล่านั้นเสียดแทงเหมือนน้ําที่เดือดพร่านบุงคนไม่อาจจะสองดูเงาหน้าจากน้ําที่กำลังเดือดพล่านได้เช่นใดใจที่กรอบด้วยความโกรธมันก็มีลักษณะเช่นเดียว ก, กัน ความโกรธทำให้ไม่เห็นอาจไม่เห็นทำอาจจะรุนแรงจนถึงประตุสลายแม้แต่บุปการีของตนถึงผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าอนันตเดรรมในการฆ่ามันดาฆ่าบิดานั้นเพราะโลภจัดเพราะโกรธจัดเพราะหลงจัดจะมีการฆ่าถ้าไม่จัดไม่กล้าทำ ในขณะนั้นก็เสียกว่าหน้ามืดมันโลบจัดจนหน้ามันมืดไปโลภจัดจนหน้ามืดไปแสดงให้เห็นถึงอาการของโมหะคือความลงนั้นก็เกิดท่วมท้นขึ้นแรงทําให้ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เหมือนกับเราตกอยู่ในที่มืดนะมองไม่เห็นทิศทางจะก้าวเดินไปไหนก็ทำได้ยากความโกรธ ยังเป็นโทษของผิวพรรณยังเป็นโทษของสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยชิมแล้คนรับประทานอาหารไปแล้วเนี่ยถ้าโกรดบ่อยๆอาานจะไม่ค่อยย่อยท้องไส้ก็จะเสียผิวพรรณก็จะซ่อมหมองสุขภาพกายก็จะเสื่อมโทรมสุขภาพจิตก็จะเสื่อมถอยคืออ่อนไหวง่ายมันกลายเป็นเหมือนคนที่เรียกว่าภูมิแพ้หรือโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานทางใจดันมันต่ําเต็มที่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็คือร่างกายนั้นมีภูมิต้านฐานโรคน้อยเจออะไรก็แพ้เข้าได้เรื่อยก็จนป่วยกันมาราธอนดังนั้นจึงส่งสั่งสอนให้คนพยายามฆ่าความโกรธพยายามมันเทาความโกรธพยายามคมความโกรธพยายามหาข้ามใจอย่าให้โกรธ ต่อต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุบต่อไป